<Book> 59. ย้อนให้ตมมดิที่ทาการไพรส์นีตาปาลาการยาเลมที่ทาการไพรส์นีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดักกัรเหตปาลาการยาเลมีอกขระวุ่นดิ ที่ทำการไพรส์นีใกล้จากที่นี่ไหมต่ป้าลกรมีกุนดยนตะดูรตู้ไรส์นีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดักรก ล, ละโพสเดบบาอยากกะดุนดดิฉันต้องการสแตมสองสามดวงนากูกคนนิสจ้ำบรุกาวาละสำหรับการ์ดและจดหมาย ว่ากัโปสต์การ์ดมารีวุฒธรรมก็รักคค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่อเมริกาเกยโปสต์เอเจดอะไรยันต์พัสดุหนักเท่าไหร่แกเกตยันต์ตวุนดดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหมเนนุดานเอีเมล์ด้วารพัมปัชช ใช้เวลานา น, านเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึงอัเกดิกะเจรุโกรานิกิเหย็นทะซามา ย, ยมปัตตะจุ ด, ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนเ น, นี่ยกกนิยะเกินอนิจโฟนเชสโกวะจุตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดักระเร่ล่าเทลฟิฟนบุติเอะกะร่วนดิคุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ มีวัตถะ calling card หรือวุ่นนัยะคุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะมีวัตถะ telephone directory วุ่นด า, นดนา ค, คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะมีคุออสเตรียกี่ area code เย็นตัวเตลิดซะรอสักครู่ขอดูก่อนนะคะวักกะนิมชมเนนิชุสตานุ สายไม่ว่างตลอดเวลาล i n e เยอะปุ๊บดู busy กันอีกคนนคุณต่อเบอร์อะไรมี่อเย่ number ที่ dial จะสารุคุณต้องกด0ก่อนเมื่หมาตึงสุนันท์ dial ยล